ศีลและสูตรว่าด้วยโทษแห่งความทุศีลและคุณแห่งความมีศีลณที่นั้นท่านพระสารีบุตรเรียกพิสูจน์ทั้งหลายมากล่าวว่าผู้มีอายุทั้งหลายสัมมาสมาธิของบุคคลผู้ทุศีลมีศีลวิบัติชื่อว่ามีเหตุถูกขจัดแล้วเมื่อสัมมาส ม, มาธิไม่มียถาภูตตยานัศสนะของบุคคลผู้มีสัมมาสมาธิวิบัติ ชื่อว่ามีเหตุถูกขจัดแล้วเมื่อยะถาภูตยานัทสนะไม่มีนิพิทาและวิราคะของบุคคลผู้มียะถาภูตยานัทสนะวิบัติชื่อว่ามีเหตุถูกขจัดแล้วเมื่อนิพิทาและวิราคะไม่มีวิมุติยานัทสนะของบุคคลผู้มีนิพิทาและวิราคะวิบัติชื่อว่ามีเหตุถูกขจัดแล้ว สัมมาสมาธิของบุคคลผู้ทุศีนมีศีนวิบัติชื่อว่ามีเหตุถูกกจัดแล้วเมื่อสัมมาสมาธิไม่มียะถาภูตยานทัศนะของบุคคลผู้มีสัมมาสมาธิวิบัติชื่อว่ามีเหตุถูกกจัดแล้วเมื่อยะถาภูตยานทัศนะไม่มีนิปิทาและวิราคะของบุคคลผู้มียะถาภูตยานทัศนะวิบัติชื่อว่ามีเหตุถูกจัดแล้ว เมื่อนิพิธาและวิราคะไม่มีวิมุติยานทัทสนะของบุคคลผู้มีนิพิธาและวิราคะวิบัติชื่อว่ามีเหตุถูกขจัดแล้วเปรียบเหมือนต้นไม้ที่มีกิ่งและใบวิบัติแล้วสเก็ดเปลือกกระพีแมกแก่นของต้นไม้นั้นย่อมไม่ถึงความบริบูรณ์ฉะนั้นสัมมาสมาธิของบุคคลผู้มีศีลสมบูรณ์ด้วยศีลชื่อว่ามีเหตุสมบูรณ เมื่อสัมมาสมาธิมียถาภูตยานทัศนะของบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยสัมมาสมาธิชื่อว่ามีเหตุสมบูรณ์เมื่อยะถาภูตยานทัศนะมีนิพพิทาและวิราคะของบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยยถาภูตยานทัศนะชื่อว่ามีเหตุสมบูรณ์เมื่อนิพพิทาและวิราคะมี วิมุตติญาณทัศนะของบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยนิพิทาและวิราคะชื่อว่ามีเหตุสมบูรณ์ผู้มีอายุทั้งหลายสัมมาสมาธิของบุคคลผู้มีศีลสมบูรณ์ด้วยศีลชื่อว่ามีเหตุสมบูรณ์เมื่อสัมมาสมาธิมียถาภูตญาณทัศนะของบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยสัมมาสมาธิชื่อว่ามีเหตุสมบูรณ์ เมื่อยะถาภูตายานทัศนะมีนิพทิทาและวิราคะของบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยยะถาภูตายานทัศนะชื่อว่ามีเหตุสมบูรณ์เมื่อนิพทิทาและวิราคะมีวิมุติยานทัศนะของบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยนิพทิทาและวิราคะชื่อว่ามีเหตุสมบูรณ์เปรียบเหมือนต้นไม้ที่มีกิ่งและใบสมบูรณ์สเก็เปลือกกระพี้ แม้แก่นของต้นไม้นั้นย่อมถึงความบริบูรณ์ฉะนั้นสีละสูตรที่8จบ 9. คิาขี ป, ปนิสันติสูตรว่าด้วยเหตุให้ใครโครวนได้เร็ว ครั้งนั้นท่านพระอาหนนเข้าไปหาท่านพระสารีบุตรทึงที่อยู่ได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วจึงนั่งณที่สมควรได้ถามท่านพระสารีบุตรดังนี้ว่าท่านสารีบุตรด้วยเหตุเพียงเท่าไรภิกษุจึงเป็นผู้ใคร่ครวญได้เร็วเรียนได้เร็วเรียนได้มากในกุศลธรรมทั้งหลาย และสิ่งที่เธอเรียนแล้วจะไม่เลือนหายไปท่านพระสารีบุตรตอบว่าท่านอานนเป็นพระหูสูตรเฉพาะท่านอานนนเท่านั้นที่จะสามารถอธิบายเนื้อความนี้ให้แจ่มแจ้งได้พระอานนนกล่าวว่าท่านสารีบุตรถ้าเช่นนั้นท่านจงฟังจงใส่ใจให้ดีผมจะกล่าวท่านพระสารีบุตรรับคำแล้วท่านพระอานนจึงได้กล่าวเรื่องนี้ว่า ท่านสารีบุตรภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เป็นผู้ฉลาดในอัต 2. เป็นผู้ฉลาดในธรรม 3. เป็นผู้ฉลาดในพยัญชนะ 4. เป็นผู้ฉลาดในนิรรตติ 5. เป็นผู้ฉลาดในเบื้องต้นและเบื้องปลายด้วยเหตุเพียงเท่านี้แลภิกษุจึงเป็นผู้ไข้ครวญได้เร็ว เรียนได้ดีเรียนได้มากในกุศลธรรมทั้งหลายและสิ่งที่เธอเรียนแล้วย่อมไม่เลือนหายไปพระส า, ารีบุตรกล่าวว่าผู้มีอายุน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏตามที่ท่านอานน์กล่าวไว้ดีแล้วนี้เราทั้งหลายขอทรงจำไว้ว่าท่านอานน์มีธรรมห้าประการนี้ท่านอานน์เป็นผู้ฉลาดในอัตฉลาดในธรรมฉลาดในพยัญชนะ ฉลาดในนิรุติและฉลาดในเบื้องต้นและเบื้องปลายคีปานิสันติสูตรที่9จบ mm hmm. 10. พัทธิสูตรว่าด้วยท่านพระพัทธิ สมัยหนึ่งท่านพระอานนท์อยู่นครสิตารามเขครุงโคสัมพีครั้งนั้นและท่านพระพัตชิได้เข้าไปหาท่านพระอานนท์ถึงที่อยู่ได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วจึงนั่งณที่สมควรได้ถามท่านพระพัตชิดังนี้ว่าท่านพัตชิบรรดาการเห็นทั้งหลายการเห็นชนิดไหนเป็นเลิศ บรรดาการได้ยินทั้งหลายการได้ยินชนิดไหนเป็นเลิศบรรดาสุขทั้งหลายสุขชนิดไหนเป็นเลิศบรรดาสัญญาทั้งหลายสัญญาชนิดไหนเป็นเลิศบรรดาพบทั้งหลายพบชนิดไหนเป็นเลิศท่านพัชตชจิตอบว่าผู้มีอายุมีพรหมผู้ยิ่งใหญ่ไม่มีใครครอบงำได้เห็นทุกสิ่งมีอำนาจเหนือผู้อื่นผู้ใดเห็นพรหมนั้น การเห็นของผู้นั้นนี้เลิศ ก, กว่าการเห็นทั้งหลายมีเทวดาเหล่าอภัสระผู้เพียบพร้อมด้วยความสุขเทวดาเหล่านั้นเปล่งอุทานบางครั้งบางแห่งว่าสุขหนอสุขหนอผู้ใดได้ยินเสียงนั้นการได้ยินของผู้นั้นนี้เลิศ ก, กว่าการได้ยินทั้งหลายมีเทวดาเหล่าสุภคินหะเทวดาเหล่านั้นยินดีเฉพาะสิ่งที่มีสวยสุขอยู่ การสุขนี้เลิกกว่าความสุขทั้งหลายมีเหล่าเทวดาผู้เข้าถึงอากินจัญญายตนะภพการเข้าถึงนี้เลิกกว่าสัญญาทั้งหลายมีเหล่าเทวดาผู้เข้าถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะภพการเข้าถึงนี้เลิกกว่าภพทั้งหลายพระอานนท์กล่าวว่าคำพูดของท่านพัตชิก็เหมือนกับคนจำนวนมากพระพัตติชิกล่าวว่า ท่านอาโ น, น์เป็นพระหูสูตรเฉพาะท่านอาโ น, น์เท่านั้นที่จะสามารถอธิบายเนื้อความนี้ให้แจ่มแจ้งได้พระอานน์กล่าวว่าท่านพัทธชิถ้าเช่นนั้นท่านจงฟังจงใส่ใจให้ดีผมจากล่าวท่านพระพัทธชิรับคำแล้วท่านพระอานน์จึงเรืยกกล่าวเรื่องนี้ว่าผู้มีอายุ ความสิ ja ้นอาสวะย่อมมีในลำดับแก่บ so ุคคลผู้เห็นตามความเป็นจริงการเห็นนี้เลิศกว่าการเห็นทั้งหลายความสิ้นอาสวะย่อมมีในลำดับแก่บุคคลผู้ได้ยินตามความเป็นจริงการได้ยินนี้เลิศกว่าการได้ยินทั้งหลายความสิ้นอาสวะย่อมมีในลำดับแก่บุคคลผู้ได้รับความสุขตามความเป็นจริงความสุขนี้เลิศกว่าความสุขทั้งหลาย ความสิ้นอาสวะย่อมมีในลำดับแก่บุคคลผู้มีสัญญาตามความเป็นจริงสัญญานี้เลิกกว่าสัญญาทั้งหลายความสิ้นอาสวะย่อมมีในลำดับแก่บุคคลผู้เป็นอยู่ตามความเป็นจริงความเป็นอยู่นี้เลิกกว่าพบทั้งหลายพัทชิสูตรที่10จบอาคาตะวักที่สองจบรวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือหนึ่ง ประมอาคาตะปฏิวินยสูตร 2. ทุติยอาคาตะปฏิวินยาสูตร 3. สากัดชสูตร 4. อาชีวสูตร 5. ปัญหาปุชชาสูตร 6. นิโรทสูตร 7. โจธนาสูตร 8. ศสีละสูตร 9. คิาขีปนิสันติสูตร 10. พัทธิสูตร 3. อุปาสกะวักหมวดว่าด้วยอุบาสกหนึ่งสารัชสูตรว่าด้วยธรรมที่เป็นเหตุให้ครั่งครามข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้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 ย่อมถึงความคลั่นคร้ามทำห้าประการอะไรบ้างคือหนึ่งเป็นผู้ฆ่าสัตว์สองเป็นผู้ลักทรัพย์สามเป็นผู้ประพฤติผิดในกามสี่เป็นผู้พูดเท็จห้าเป็นผู้เสพของมึนเมาคือสุราและเมรยัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทภิกษุทั้งหลายอุบาสกประกอบด้วยทำห้าประการนี้แหลย่อมถึงความคลั่งคล้าม ภิกษุทั้งหลายกุบาศกประกอบด้วยธรรม5าประการย่อมเป็นผู้แกล้วกล้าธรรมาประการอะไรบ้างคือ 1. เป็นผู้เว้นขาจากการฆ่าสัตว์ 2. เป็นผู้เว้นขาจากการลักทรัพย์ 3. เป็นผู้เว้นขาจากการประพฤติผิดในกาม 4. เป็นผู้เว้นขาจากการพูดเท็จ 5. เป็นผู้เว้นขาจากการเสพของเหมืนเมาคือสุราและเมรยัย อันเป็นเหตุแห่งความประมาทภิกษุทั้งหลายอุบาสกประกอบด้วยธรรมห้าประการนี้แหละย่อมเป็นผู้เกล้ากล้าสารัชสูตรที่หนึ่งจบสองวิสารัสูตรว่าด้วย ธรรมที่เป็นเหตุให้แกล้วกล้ า, ลาภิกษุทั้งหลายกูบาศกประกอบด้วยธรรมห้าประการเป็นผู้ไม่แกล้วกล้ า, ลาอยู่คลองเรือนธรรมห้าประการอะไรบ้างคือหนึ่งเป็นผู้ฆ่าสัตว์ละถึง 5. เป็นผู้เสพของเหมือนเมาคือสุราและเมรยัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทภิกษุทั้งหลายกูบาสศกประกอบด้วยธรรมหประการนี้แหล เป็นผู้เมขแกล้วกล้าอยู่คลองเรือนภิกษุทั้งหลายผู้บาศกประกอบด้วยธรรมหประการเป็นผู้แกล้าอยู่ครองเรือนธรรมห้าประการอะไรบ้างคือ 1. เป็นผู้เว้นขาจากการฆ่าสัตว์ละถึง 5. เป็นผู้เว้นขาจากการเสพของเหมือนเมาคือสุราและเมรยัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทภิกษุทั้งหลาย อุบาสกประกอบด้วยธรรมห้าประการนิแลเป็นผู้กแลกล้าอยู่คลองเรือนวิสาร ะ, ะสูตรที่สองจบ 3. นิรยสูตรว่าด้วยธรรมที่เป็นเหตุให้ตกนรก อุบาสกประกอบด้วยธรรมห้าประการย่อมดำรงอยู่ในนรกเหมือนถูกนำไปฝังไว้ธรรมห้าประการอะไรบ้างคือ 1. เป็นผู้ฆ่าสัตว์ละถึง 5. เป็นผู้เสพของเหมือนเมาคือสุราและเมรยัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทภิกษุทั้งหลายอุบาสกประกอบด้วยธรรมห้าประการนี้แหลย่อมดำรงอยู่ในนรกเหมือนถูกนำไปฝังไว้ ภิกษุทั้งหลายอุบาสกประกอบด้วยธรรมห้าประการย่อมดำรงอยู่ในสวรรค์เหมือนได้รับอัญเชิญไปประดิษฐานไว้ธรรมห้าประการอะไรบ้างคือ 1. เป็นผู้เว้นขาจากการฆ่าสัตว์และถึง 5. เป็นผู้เว้นขาจากการเสพของมืนเมาคือสุราและเมรยัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทภิกษุทั้งหลาย อุบาสกประกอบด้วยธรรมห้าประการนี้แลย่อมดำรงอยู่ในสวรรค์เหมือนได้รับอัญเชิญไปประดิษฐานไว้นิริยสูตรที่สจบ 4. เวรสูตรว่าด้วยภัยเวนครั้งนั้น อนาถบิณิกขะคาบดีเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาสแล้วนั่งหน้าที่สมควรพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับอนาถบิณิกขะคาบดีดังนี้ว่าค้าบดีอุบาสกละภัยเวรห้าประการไม่ได้เราเรียกว่าผู้ทุศีนและเขาย่อมไปเกิดในนรกภัยเวรห้าประการอะไรบ้างคือหนึ่งการฆ่าสัต 2. การลักทรัพย์ 3. การประพฤติผิดในกาม 4. การพูดเท็จ 5. การเสพของหมื่นเมาคือสุราและเมรยัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทพระบดีอุบาสกและภัยเวนหประการนี้แลไม่ได้เราเรียกว่าผู้ทุศีลและเขาย่อมไปเกิดในนรกอุบาสกละภัยเวรห้าประการได้แล้วเราเรียกว่าผู้มีศีล และเขาย่อมไปเกิดในสุคติภัยเวณห้าประการอะไรบ้างคือ 1. การฆ่าสัตว์ 2. การลักทรัพย์ 3. การประพฤติผิดในกาม 4. การพูดเท็จ 5. การเสพของหมื่นเมาคือสุราและเมรยัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทข้าป้บดีอุบาสกละภัยเวณห้าประการนี้แลได้แล้วเราเรียกว่าผู้มีศีล และเขาย่อมไปเกิดในสุคติขหาดีอุบาสกผู้ฆ่าสัตว์ย่อมประสบภัยเวรใดทั้งในภพนี้และภพหน้าสเสวยทุกขโทมานัสทางใจใดเพราะมีการฆ่าสัตว์เป็นปัจใจอุบาสกผู้เว้นขาจากการฆ่าสัตว์ย่อมไม่ประสบภัยเวร น, นั้นทั้งในภพนี้และภพหน้าย่อมไม่สเสวยทุกขโทมานัสทางใจนั้น ภัยเวร น, นั้นของอุบาสกผู้เว้นขาจากการฆ่าสัตว์ย่อมสงบระ ง, งับไปด้วยประการฉนี้อุบาสกผู้ลักทรัพย์ละถึงอุบาสกผู้ประพฤติผิดในกามอุบาสกผู้พูดเท็จละถึงอุบาสกผู้เสพของเหมือนเมาคือสุราและเมรยัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทย่อมประสบภัยเวรใดทั้งในภพนี้และภพหน้า สวยทุกขโทมนัตทางใจใดเพราะมีการเสพของหมื่นเมาคือสุราและเมรยัยอันเป็นเหตุแห่หงความประมาทเป็นปัจจัยอุบาสกผู้เว้นขา จ, จากการเสพของหมื่นเมาคือสุราและเมรยัยอันเป็นเหตุแห่หงความประมาทย่อมไม่ประสบภัยเวนั้นทั้งในภพนี้และภพหน้าย่อมไม่สเสวยทุกขโทมนัที่เป็นไปทางใจนั้น ภัยเวร น, นั้นของอุบาสกผู้เว้นขาดจากการเสพของมินเมาคือสุราและเมรยัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทย่อมสงบประงับไปด้วยประการฉนี้นอนรชนใดในโลกฆ่าสัตว์ลักทรัพย์คบชู้กับพัญญาของผู้อื่นผู้เ ท, ท็จและหมกมุ่นในการดื่มสุราและเมรยัยนอนรชนนั้นละเวรห้าประการไม่ได้เราเรียกว่าผู้ทุศีล เขาผู้มีปัญญาสามตายไปแล้วย่อมไปเกิดในนรกนรชนใดในโลกไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่คบชู้กับพัญญาของผู้อื่นไม่พูดเท็จและไม่หมกมุ่นในการเดิมสุราและเมรยัยนรชนนั้นละเว้นห้าประการได้เราเรียกว่าผู้มีศีลเขาผู้มีปัญญาตายไปแล้วย่อมไปเกิดในสุคติเวรสูตรที่สจบ 5. จันทานลสูตรว่าด้วยอุบาสกจันทานภิกษุทั้งหลายอุบาสกประกอบด้วยธรรมประการเป็นอุบาสกจันทานเป็นอุบาสกเศร้ามองและเป็นอุบาสกแนารังเกีย ทำหประการอะไรบ้างคือหนึ่งเป็นผู้ไม่มีศรัทธาสองเป็นผู้ทุศีลสามเป็นผู้ถือมงคลตื่นข่าวเชื่อมงคลไม่เชื่อก ร, รสี่แสวงหาผู้รับทักษินานอกศาสนานี้ห้าทำอุปการะนอกศาสนาก่อนภิกษุทั้งหลายอุบาสกประกอบด้วยทรรม5ประการนี้แหละเป็นอุบาสกจันทาน เป็นอุบาสกเศร้ามองและเป็นอุบาสกหน้ารังเกียจภิกษุทั้งหลายอุบาสกประกอบด้วยธรรมหประการเป็นอุบาสกแก้วเป็นอุบาสกปทุมและเป็นอุบาสกบุญทริกธรรมหประการอะไรบ้างคือ 1. เป็นผู้มีศรัทธา 2. เป็นผู้มีศีล 3. เป็นผู้ไม่ถือมงคลตื่นข่าวเชื่อกรรมไม่เชื่อมงคล 4. ไม่แสวงหาผู้รับทักษินานอกาศาสนานี้ 5. าทำอุปการะในาศาสนานี้ก่อนภิกษุทั้งหลายอุบาสกประกอบด้วยธรรมประการนี้แหลเป็นอุบาสกแก้วเป็นอุบาสกปทุมและเป็นอุบาสกบุญทริกจันทา ร, ารัูตรที่5จบ ปีติสูตรว่าด้วยปีติครั้งนั้นอนาถเบนิกะข้าบดีมีอุบาสกประมาณ500อคนแวดล้อมเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาดแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเรื่องนี้ว่าข้าบดีท่านทั้งหลายได้บำรุงภิกษุสงฆ์ด้วยจีวรบินฑบาตเสนาสนะ และคีลานปปจจัยเพสะบริคานท่านทั้งหลายไม่ควรทำความยินดีด้วยเหตุเพียงเท่านี้ว่าเราได้บำรุงภิกษุสงฆ์ด้วยจีวอนบินตาบาดเสนาสนะและคีลานปปจจัยเพสะบริคานเพราะเหตุนั้นแหลท่านทั้งหลายพึงสำเนีกอย่างนี้ว่าพวกเราพึงบรรลุปีติที่เกิดจากวิเวกอยู่ตามการอันควรด้วยอุบายอย่างไร ท่านทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้แลเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วท่านพระสารีบุตรได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญน่าอาช จ, จ, จรจร์จิงไม่เคยปรากฏตามที่พระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระดํารัสนี้ว่าข้าพดีท่านทั้งหลายได้บํารุงภิกษุสงฆ์ด้วยจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและกีฬานปัจจัยเพศบริขารเพราะเหตุนั้นแล ท่านทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าพวกเราพึงบรรลุปีติที่เกิดจากวิเวกอยู่ตามการอันควรด้วยอุบายอย่างไรท่านทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้และข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสมัยใดอริยสาวกบรรลุปีติที่เกิดจากวิเวกอยู่สมัยนั้นอริยสาวกนั้นย่อมไม่มีฐานะหประการคือหนึ่ง ไม่มีทุกขโทมณัตอันประกอบด้วยกาม 2. ไม่มีสุขโสมณัตอันประกอบด้วยกาม 3. ไม่มีทุกขโทมนัตอันประกอบด้วยอกุศล 4. ไม่มีสุขโสมนัตอันประกอบด้วยอกุศล 5. ไม่มีทุกขโทมนัตอันประกอบด้วยกุศลข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสมัยใดอริยสาวกบรรลุปิติที่เกิดจากวิเวกอยู่ สมัยนั้นอริยสาวกนั้นย่อมไม่มีฐานะห้าประการนี้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าดีละดีละสารีบุตรสมัยใดอริยสาวกบรรลุปิติที่เกิดจากวิเวกอยู่สมัยนั้นอริยสาวกนั้นย่อมไม่มีฐานะห้าประการคือ 1. ไม่มีทุกโธมณฑ์อันประกอบด้วยกาม 2. อไม่มีสุขโสมมณฑ์อันประกอบด้วยกาม สมไม่มีทุกขโธมนัตอันประกอบด้วยอกุศล 4. ไม่มีสุขโสมนัตอันประกอบด้วยอกุศล 5. ไม่มีทุกขโทมนัตอันประกอบด้วยกุศลสารีบุตรสมัยใดอริยสาวกบรรลุปีติที่เกิดแต่วิเวกอยู่สมัยนั้นอริยสาวกนั้นย่อมไม่มีฐานะ5ประการนี้ปีติสูตรที่ห ว่นิชาสูตรว่าด้วยการค้าขายที่อุบาสกไม่ควรประกอบภิกษุทั้งหลายอุบาสกไม่ควรทำการค้าขาย5ประการนี้การค้าขาย5ประการอะไรบ้างคือ 1. การค้าขายสัตว์ดาวุธ 2. การค้าขายสัตว์ 3. การค้าขายเนื้อ 4. การค้าขายของหมื่นเมา 5. การค้าขายยาพิษภิกษุทั้งหลายอุบาสกไม่ควรทำการค้าขาย5ประการนี้แลวณิชาสูตรที่เจ็จบ 8. ราชาสูตรว่าด้วยพระราชา ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายเข้าใจเรื่องนั้นอย่างไรเคยเธอทั้งหลายเคยได้เห็นเคยได้ฟังมาบ้างหรือไม่ว่าคนผู้นี้เป็นผู้ละเว้นขาจากการฆ่าสัตว์พระราชาจับเขาแล้วประหารจองจําในประเทศหรือทำตามพระราชประสงค์เพราะการงดเว้นจากการฆ่าสัตว์เป็นเหตุภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าไม่เคยได้เห็นไม่เคยได้ฟังมาอย่างนั้นเลยพระพุทธเจ้าค่ะ พระผู้มีพระภาคตรัสว่าดีและภิกษุทั้งหลายแม้เราก็ไม่เคยได้เห็นไม่เคยได้ฟังมาอย่างนั้นเลยว่าคนผู้นี้เป็นผู้ละเว้นขาจากการฆ่าสัตว์พระราชาจับเขาแล้วประหารจองจำเนรเทศหรือทำตามพระราชประสงค์เพราะการงดเว้นจากการฆ่าสัตว์เป็นเหตุแต่ถ้าบาปกรรมของเขานั้นเองปรากฏให้รู้ว่า คนผู้นี้ฆ่าบุรุษหรือสตรีต่อมาพระราชาจับเขาแล้วประหารจองจำในระเทศหรือทำตามพระราชประสงค์เพราะการงดเว้นจากการฆ่าสัตว์เป็นเหตุเธอทั้งหลายเคยได้เห็นเคยได้ฟังบาปกรรมเช่นนี้บ้างหรือไม่ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าข้าพระองค์ทั้งหลายเคยได้เห็นมาแล้วเคยได้ฟังมาแล้วและจกได้ฟังต่อไปพระพุทธเจ้าค่ะ พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายเข้าใจเรื่องนั้นอย่างไรคือเธอทั้งหลายเคยได้เห็นเคยได้ฟังมาบ้างหรือไม่ว่าคนผู้นี้เป็นผู้ละเว้นขาดจากการลักทรัพย์พระราชาจับเขาแล้วประหารจองจำในประเทศหรือทาตามพระราชาประสงค์เพราะการงดเว้นจากการลักทรัพย์เป็นเหตุภิษุทั้งหลายกราบทูลว่า ไม่เคยได้เห็นไม่เคยได้ฟังมาอย่างนั้นเลยพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดีละภิกษุทั้งหลายแม้เราก็ไม่เคยได้เห็นไม่เคยได้ฟังมาอย่างนั้นเลยว่าคนผู้นี้เป็นผู้ละเว้นข่าจากการลักทรัพย์พระราชาจับเขาแล้วประหารจองจําในประเทศหรือทําตามพระราชประสงค์เพราะการงดเว้นจากการลักทรัพย์เป็นเหตุ แต่ถ้าบาปกรรมของเขานั่นเองปรากฏให้รู้ว่าคนผู้นี้ลักทรัพย์เขามาจากบ้านหรือจากป่าพระราชาจับเขาแล้วประหารจองจำในประเทศหรือทำตามพระราชประสงค์เพราะการลักทรัพย์เป็นเหตุเธอทั้งหลายเคยได้เห็นเคยได้ฟังบาปกรรมเช่นนี้บ้างหรือไม่ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าข้าพระองค์ทั้งหลายเคยได้เห็นมาแล้วเคยได้ฟังมาแล้ว และจักได้ฟังต่อไปพระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายเข้าใจเรื่องนั้นอย่างไรเคยเธอทั้งหลายเคยได้เห็นเคยได้ฟังมาบ้างหรือไม่ว่าคนผู้นี้เป็นผู้ละเว้นขาดจากการประพฤติผิดในกามพระราชาจับเขาแล้วประหารจองจาในประเทศหรือทำตามพระราชประสงค์เพราะการลดเว้นจากการประพฤติผิดในกางเป็นเหตุ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 เพราะการงดเว้นจากการประพฤติผิดในกรรมเป็นเหตุแต่ถ้าบาปกรรมของเขานั่นเองปรากฏให้รู้ว่าคนผู้นี้ประพฤติล่วงในหญิงหรือลูกสาวของผู้อื่นพระราชาจับเขาแล้วประหารจองจำในประเทศหรือทำตามพระราชประสงค์เพราะการประพฤติผิดในกรรมเป็นเหตุเธอทั้งหลายเคยได้เห็นเคยได้ฟังบาปกรรมเช่นนี้บ้างหรือไม่ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า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 หรือทำตามพระราชประสงค์เพราะการงดเว้นจากการพูดเท็จเป็นเหตุแต่ถ้าบาปกรรมของเขานั่นเองปรากฏให้รู้ว่าคนผู้นี้ทำลายประโยชน์ของข้าพดีหรือบุตรของข้าพดีด้วยการพูดเท็จพระราชาจับเขาแล้วประหารจองจำเนรเทศหรือทาตามพระราชประสงค์เพราะการพูดเท็จเป็นเหตุเธอทั้งหลายเคยได้เห็นเคยได้ฟังบาปกรรมเช่นนี้บ้างหรือไม่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 พระราชาจับเขาแล้วประหารจองจำเนรเทศหรือทาตามพระราชประสงค์เพราะการงดเว้นจากการเสพของเหมืนเมาคือสุราและเมรยัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทเป็นเหตุภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าไม่เคยได้เห็นไม่เคยได้ฟังมาอย่างนั้นเลยพระพุทธเจ้าขา่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดีละภิกษุทั้งหลาย แม้เราก็ไม่เคยได้เห็นไม่เคยได้ฟังมาอย่างนั้นเลยว่าคนผู้นี้เป็นผู้ละเว้นขาดจากการเสพของเหมือนเมาคือสุราและเมรยัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทพระราชาจับเขาแล้วประหารจองจำเนรเทศหรือทำตามพระราชาประสงค์เพราะการลดเว้นจากการเสพของเหมือนเมาคือสุราและเมรยัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทเป็นเหตุ แต่ถ้าบาปกรรมของเขานั่นเองปรากฏ <แ bar? S 1> ให้รู้ว่าคนผู้นี้มกมุ่นการเสพของหมืนเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทแล้วฆ่าญิงหรือชายคนผู้นี้มกมุ่นการเสพของหมืนเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทแล้วลักทรัพย์จากบ้านหรือป่าคนผู้นี้มกมุ่นการเสพของหมืนเมาคือสุราและเมรัย อันเป็นเหตุแห่งความประมาทแล้วประพฤติล่วงในหญิงหรือลูกสาวของผู้อื่นคนผู้นี้หมกมุ่นการเสพของหมื่นเมาคือสุราและเมรยัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทแล้วทำลายประโยชน์ของขหาบดีหรือบุตรของข้าบดีด้วยการพูดเท็จพระราชาจับเขาแล้วประหารจองจาในระเทศหรือทำตามพระราชประสงค์เพราะการเสพของหมืนเมาคือสุราและเมรยัย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 สูตรว่าด้วยครหะหครั้งนั้นอนาถปินิกาค้าบดีมีอุบาสกประมาณห้0อคนแวดล้อมเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาตแล้วนั่งหน้าที่สมควรลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกท่านพระสารีบุตรมาตรัสว่าสารีบุตรเธอทั้งหลายพึงรู้จักครหัสคนหนึ่งผู้นุ่งห่มผ้าขาว มีการงานสำรวมดีในสิกขาบทหประการและเป็นผู้ได้ทำเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันอันมีในจิตยิ่งสี่ประการตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากและเครหัหนั้นเมื่อหวังอยู่ก็พึงพยากรตนด้วยตนเองได้ว่าเราเป็นผู้มีนรกสิ้นแล้วมีกำเนิดสัตริรชานสิ้นแล้วมีเปตตวิสัยสิ้นแล้ว มีอบายสิ้นแล้วมีทุกติสิ้นแล้วมีวินิบาตสิ้นแล้วเป็นโสดาบันไม่มีทางตกต่ำมีความแน่นอนที่จะสำเร็จสำโพธิในวันข้างหน้าครหัดเป็นผู้มีการงานสำรวมดีในสิขาบท5ประการอะไรบ้างคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้ 1. เป็นผู้เว้นขาจากการฆ่าสัตว์ 2. เป็นผู้เว้นขาดจากการลักทรัพย์ 3. เป็นผู้เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกาม 4. เป็นผู้เว้นขาดจากการพูดเท็จ 5. เป็นผู้เว้นขาดจากการเสพของเหมือนเมาคือสุราและเมรยัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทกระหัสเป็นผู้มีการงานสำรวมดีในสิกขาบท5ประการนี้ครหัสเป็นผู้ได้ทำเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันอันมีในจิตยิ่งสประการ ตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลําบากอะไรบ้างคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้หนึ่งเป็นผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่วันไหวในพระพุทธเจ้าว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาค พ, พระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบเพียบพร้อมด้วยวิชาและจรณะเสด็จไปดีรู้แจ้งโลก เป็นสรถีฝึกผู้ที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีประภาคนี้เป็นธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันอันมีในจิตยิ่งประการที่หนึ่งอันอริยสาวกนั้นได้ถึงแล้วเพื่อความหมดจดแห่งจิตที่ยังไม่หมดจดเพื่อความผ่องแผ่แห่งจิตที่ยังไม่ผ่องแผ่สอ เป็นผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวันไหวในพระธรรมว่าพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นชัดด้วยตนเองไม่ประกอบด้วยการควรเรียกให้มาดูควรน้อมเข้ามาในตนอันวินยูชนพึงรู้เฉพาะตนนี้เป็นธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันอันมีในจิตยิ่งประการที่สองอันอริยสาวกนั้นได้ถึงแล้ว เพื่อความหมดจดแห่งจิตที่ยังไม่หมดจดเพื่อความผ่องแผ้วแห่งจิตที่ยังไม่ผ่องแผ้ว 3. เป็นผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่วันไวในพระสงฆ์ว่าพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติถูกทางปฏิบัติสมควรได้แก่อริยาบุคลคลสี่คู่คือ8บุคคลพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคนี้ เป็นผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวายควรแก่ของต้อนรับควรแก่ทักษินาควรแก่การทำอัญชลีเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกนี้เป็นธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันอันมีในจิตยิ่งประการที่สอันอริยสาวกนั้นได้ถึงแล้วเพื่อความหมดจดแห่งจิตที่ยังไม่หมดจดเพื่อความผ่องแผ้วแห่งจิตที่ยังไม่ผ่องแผ้วส เป็นผู้ประกอบด้วยศีลที่พระอริยใกร้ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นไทท่านผู้รู้สันเสริญไม่ถูกตัญหาและทิฏฐิครอบงำเป็นไปเพื่อสมาธินี้เป็นธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันอันมีในจิตยิ่งประการที่สอันอริยสาวกนั้นได้ถึงแล้วเพื่อความหมดจดแห่งจิตที่ยังไม่หมดจดเพื่อความ่องแผ่แห่งจิตที่ยังไม่พองแผ่ ครือหัดผู้ได้ทำเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันอันมีในจิตยิ่งสี่ประการนี้ตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากสารีบุตรพวกเธอเพึงรู้จักเครือหัดคนใดคนหนึ่งผู้นุ่งห่มผ้าขาวมีการงานสำรวมดีในศิกขาบทหประการและเป็นผู้ได้ทำเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันอันมีในจิตยิ่งสี่ประการนี้ตามความปรารถนา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 บัณฑิตเห็นภัยในโนโรกแล้วพึงเว้นบาปเสียสมท า, านอริยธรรมแล้วพึงเว้นบาปเสียก็ในเมื่อมีความพยายามอยู่ไม่พึงเบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายไม่พึงกล่าวเทศ ท, ทั้งที่รู้ไม่พึงหยิบฉวยสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้พึงยินดีภริยาของตนไม่พึงยินดีภริยาผู้อื่นไม่พึงดื่มสุราเมรยัยเครื่องยังจิตให้หลงไหล พึงระลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพึงตรึกถึงพระธรรมพึงเจริญจิตอันปราศจากพยาบาทเพื่อเกื้อกูลแก่เทวลโลกทักษิณาที่ผู้ต้องการบุญสแสวงหาบุญอยู่ให้แล้วในสั์ปรุษเป็นอันดับแรกในเมื่อเทยธรรมมีอยู่พร้อมย่อมมีผลภัยบุญสารรบุตรเราจาบอกสัพ ป, ปรุษให้จงฟังคาของเรา โคผู้ที่ฝึกแล้วเป็นโคใช้งานที่สมบูรณ์ด้วยกำลังมีเชาวดีและเป็นสัตว์ที่ซื่อตรงจะเกิดในสีสันใดๆคือสีดำสีขาวสีแดงสีเขียวสีด่างสีตามธรรมชาติของตนสีเหมือนโคธรรมดาหรือสีเหมือนนกพิราบก็ตามชนทั้งหลายเทียมมันเข้าในแอกไม่คำนึงถึงสีสันของมันฉันใด ผู้ที่ฝึกตนดีแล้วมีความประพฤติดีงามตั้งอยู่ในธรรมสมบูรณ์ด้วยศีลพูดคำสัตว์มีใจประกอบด้วยหิริก็ฉันนั้นเหมือนกันจะเกิดในหมู่มนุษยชาติใดๆคือกระสัตรพรามแพทย์สูตรคนจันทานและคนเทขยะก็ตามก็ละความเกิดและความตายได้มีพรหมจรรย์บริบูรณ์ปลงภาระได้แล้วไม่ประกอบด้วยกิเลส ทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีอาสวะรู้จบทำทุกอย่างดับสนิทเพราะไม่ถือมั่นในเขตที่ปราศจากทุลีเช่นนั้นแลทักษินาย่อมมีผลมากคนผ่านไม่รู้แจ้งไม่มีปัญญาไม่ได้สดับรับฟังย่อมไม่ทานภายนอกไม่เข้าไปหาสัตบุรุษส่วนเราชนผู้มีศรัทธาอย่างลงตั้งมั่นในพระสุคต ย่อมเข้าไปหาสัต บ, บุรุษผู้มีปัญญาที่เขายกย่องกันว่าเป็นนักปราดท่านเหล่านั้นผู้เป็นบัณดิตย่อมไปสู่เทวโลกหรือไม่ก็เกิดในตระกูลดีในโลกนี้และบรรลุนิพพานได้โดยลำดับขีหิสูที่เก้าจบ